ก็ขอโมทนากับพวกเราตั้งใจศึกษาพระธรรมฟังธรรมกันสาุก็ในในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระเจ้าก็เราหยุดกันมาค่อนข้างยาวอ <laughs> ยากจะลืมหลังแล้ว ก็ในฐานะที่เราศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยในฐานะที่เรามานสิกานไข่ครวนแล้วก็ต้องการที่จะประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระศาสดาก็มานั่งคิดเ น, เนี่ยเหตุมานั่งคิดก็คือว่าอมาคิดถึงตอนไหนไหมตอนที่ว่าพระบรมศาสดาจากปรินิพาน ตอนนั้นพระศาสดาจะาปริทิพานพระ อ, องค์ก็บอกว่าธรรมเลวินัยจะเป็นาศาสดาของถือหลังการล่วงไปแห่งเราใช่ไหมทีนี้พอมาพิจารณาอย่างนี้ก็เลยเห็นนะทำไม่เห็นตอนที่พระศาสดาจะปริทิพานที่ตอนนั้นต้นสาละ ต้นสาระก็ดีแม้พื้นเป่นดินเป็นต้นก็ดีนี่นะต้นไม้ในอุทยานทั้งหลายตลอดถึงในเทวโลกและกพรมโลกเนะี่ยก็ผลิดอกออกผลบานสะพั่งและดอกไม้นั้นก็ร่วงหล่นมายังพระสรีลั์ของพระบรมศาสดาถ้าไม่คิดถึงว่าดอกไม้ที่เกิดจากอุตูเนี่ยนะ ต้นไม้เหล่านี้เป็นกรร ม, มปัจจะอุตุมี <c oughs> รูปที่เกิดจากอุตุที่มีกรรมของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งทีนี้พระโพธิสัตว์ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ว่าดอกไม้นานาพันเนี่ยก็ออกดอกสะพังแล้วก็บูชาล่วงหล่นมายังพระสรีร่าของพระาศาสดาเป็นต้นเนี่าไม่คิดถึง ว่าดินน้ำไฟลมทั้งหลายเหล่านี้โลกก็รับรู้นะในกรณีแห่งการที่จะสเทือนสะทานวันว่นวายในการที่พระมหาบุรุษเนี่ยจะปรินิพานหรือจะประสูติเป็นต้นเหล่านี้เรามามองเห็นตรงนี้ก็คือพระพุทธเจ้าบอกว่าพระาธาตุทำวินัยจะเป็นศาสดาของเธอในชั้นคําสอนก็ก็จะขยายความบอกว่าพระาธาตุที่เกิดจากสรีลัของเราจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย แต่ว่าพระเจ้าปรินิพานแล้วพระธรรมวินัยไหมแปดหมื่นพันพระธรรมขันธ์ก็จะเป็นพระศาสดาพร้อมสอนเธอทั้งหลายในการ 5,000 ันปีพระธาตุเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ถ้าเราดูตรงที่ว่าท่านพระ อ, อนนที่ท่านจะปรินิพานเนี่ยท่านเข้าปรินิพานและจุติใช่ไหมเพราจุติจิตปรินิพานจิตของท่านเกิดแต่ท่านอธิษฐานใช่ไหม อธิษฐานว่าสตรีลัของท่านก็ลอยขึ้นไปเตโชธาตุก็เผาแล้วก็แบ่งออกเป็นสองสองซี่แล้วก็แยกออกไปในฝั่งของก บ, บิลพัทและเทวทาหาน <c oughs> ก็ทําให้ประยุริญาตทั้งหลายได้พระธาตุที่เกิดจากศรีลัของท่านไปบูชากันถ้าถามว่าปณิธานจิตของท่านเกิดก่อนไหมก็บ่กเกิดก่อนแล้วฤทธิ์ของท่านยังอยู่ใช่มท่าอธิษฐานไว้ตอนนี้พระธาตุ ที่เกิดจากศลีละของพระบรมศาสดาที่ยังอยู่พระศาสดาทรงอธิฐานไว้เนี่ยฉะนั้นการนี้เป็นการของพระเจ้าพระศาสดายัางดำรงอยู่ตราบจะชั่วห้าพันปีเนาะจึงเป็นบุญยราภของเราไงเราเกิดมาในยุคในการของพระศาสดาแล้วถ้าไปเจอในชั้นคําสอนหลายแห่งท่านจะบอกว่าถ้าจิตเสมอกัน ถ้าเราบูชาพระศ า, าสดาเนี่ยนะถ้าจิตเสมอกันแล้วในผลก็จะเสมอกันไงเพราะในการนี้เป็นการเดียวที่ตอนนี้ยังมีลมหายใจอยู่แล้วก็เกิดมาในยุคการนี้โดยการที่พระเจ้ายังดำรงอยู่ในฐานะแห่งพระธรรมเนี่ยนะก็เป็นบุญยร า, าบในส่วนหนึ่งทีนี้ประเด็นต่อมาคือว่าสิ่งที่เราจะต้องมาคิดต่อก็คือว่าอย่าลืมนะว่าในช่วงของการมีชีวิตอยู่ตังแต่ละบุคคลเนี่ย ถ้าถามว่าลมหายใจอยู่แต่ถ้าเราได้มีโอกาสในการที่จะเข้าถึงคำสอนของพระบรมศาสดาอย่างแท้จริงโดยการอย่างแท้จริงในที่นี้ก็หมายความว่าไม่ประมาทไม่ประมาทไม่ขาดสตินี่นะมันร ะ, ะลึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราในฐานะเป็นบริษัทของพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเราเป็นบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องมีส่วนในการที่จะรับพระธรรมของพระพุทธเจ้านำมาประพฤติปฏิบัติกัน มันขัดเกลาแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะในชีวิตของแต่ละบุคคลทีนี้ในการนี้ที่บอกพระบรมศ า, ศาสดานั้นเป็นการของท่านเป็นการของพระเจ้ า, า, อ, ยาอยู่และเราก็เกิดมาร่วมการร่วมสมัยของท่านด้วยตรงนี้ก็คือว่าอยู่ที่แต่ละบุคคลและที่ใครจะสามารถไขว่คว้าที่จะสามารถพัฒนาตนเองนั้นเ น, น่เข้าถึงกระแสของคาสอนของพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทีนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าที่เห็นสาวกของท่านเนี่ยพากันพระองค์ก็เป็นห่วงเรื่องการบูชาสองอย่างคืออมิสบูชาและก็ธรรมะบูชาท่านก็บอกว่าท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าใต้เบื้องบาตพระบรมศาสดาพระธีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าวัตถุประสงค์ของท่านเนี่ยที่ท่านตั้งอัธยาศัยมาเนี่ยเพื่ออะไรใช่ไหมเพื่ออะไ ร, ไออะไรท่านก็กลัวว่า บริษัทของท่านเนี่ยจะล่มหลงเพียงแค่อามิสบูชาคำว่าล่มหลงเพียงแค่อามิสบูชาก็คือว่าอามิสบูชาไม่สามารถทําให้ศาสนาพระจิตรเจ้านั้นสามารถจะสืบต่อได้แม้ชั่วข้าวคําหนึ่งนะแม้ชั่วข้าวคําหนึ่งมาไปที่อินเดียก็คิดก็เห็นที่เสาหินโศ ข, ของพระบรมศาสดาซึ่งบอกว่า 84% ดหมพต้นเนี่ยปัจจุบันก็เหลือลอยู่สัก50าสต้นที่ก็ค้นกันเจอ ก็ทําให้นึกแล้วก็ถึงพุทธพจน์ถึงพุทธวจนะที่พระบรมศาสดาประกาศไว้บอกว่าอมิสบูชาไม่สามารถดํารงศาสนาของพระชินเจ้าให้ดํารงอยู่ได้จริงๆแต่แต่อมิสบูชานั้นท่านผู้ใดทํำก็เป็นของท่านผู้นั้นแต่ว่าถ้าหากอมิสบูชานั้นเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อธรรมบูชาจะประเสริฐย่างยิ่งเลยอะไรคือธรรมบูชาใช่ไหมก็ต้องมาสื่คน้น อย่าลืมนะว่าทานนะเจตนาเนี่ยเป็นธรรมบูชานะจิตทีคิดจบูชาเนี่ยจิตทีคิด จ, บ, จ, ดจบูชานั้นที่เป็นไปกับเจตนาถ้าพูดถึงตัวเจตนาเนี่ยเจตนาต้องเป็นธรรมชาติที่กระตุน้นเตือนสามยุทธธรรมที่เกิดพร้อมกับตนให้ทําหน้าที่ใช่ไหมตัวเจตนานั้นเป็นเหมือนกับแมตทัพเป็นเจตนานั้นเหมือนกับหัวนหน้าศิษย์ก็แปลว่าเป็นหัวนหน้าของอะไร เป็นของหน้าของนามธรรมทั้งหลายที่เป็นไปทั้งกุศลธรรมและอกุศลธรรมถ้าจิทตทิศคิดจะบูชาไม่สามารถระดมนามธรรมที่เกิดขึ้นในกระแสของกุศลธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แปลว่าธรรมะบูชาของท่านผู้นั้นจักล้มเหลวนะเช่นถ้าไม่สามารถกระตุ้นเตือนอโลภากระตุ้นเตือนอโทสะหรือกระตุ้นเตือนสทาสติฮิริโอตตปะอโลภอะโทสะตัตตะมชะตตาเนี่ย กายประสิทธิจิตประสิทธิกายร ะ, ะหุตาจิตร ะ, ะหุตาเป็นต้นจนถึงกระตุ้นอั ป, ปมัญญาหรือปัญญาให้เกิดขึ้นในการทำหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสมนะเจตนาที่ที่ไม่สามารถผลักดันหรือว่ากระตุนต้นเตือนชักนำสมยุติธรรมเหล่านี้ให้ทำกิจของตนเองได้แปลว่าธรรมบูชาจะไม่ได้ผลถ้าเราไปขับเน้นเพียงแค่อามิสบูชาซึ่งเป็น วัตถุทานภายนอกอย่างเดียวเนี่ยแต่ตัวนามธรรมทั้งหลายไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนกองทัพที่ท่านใช้คําว่าถ้าบารมีของพระบ ร, รมศาสดาท่านใช้คําว่าเจตนายโยธาใช่ไหมศีลและเจตนายโยธาเนคขมาเจตนายโยธาเห็นไหมจะพูดขับเน้นเรื่องเจตนาหมดเลยนะกองทัพในบารมีธรรมที่พระบ ร, รมศาสดาใช้บทขยี้ของกองทัพของมารเนี่ยอันนั้นบ่งบอกถึงอะไร วันก่อนก็ยังคุยกับพระว่าเราเนี่ยภิสุก็ดีเนี่ยหรือภิกษุนีอุบาสกบาศิกาเนี่ยเป็นเนื้อโดยเฉพาะภิกสุนี่เป็นหลักเลยเป็นเนื้อสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เป็นเหยื่อกามคุณเนี่ยวัตถุกรามทั้งหลายเนี่ยเป็นเยื่อแล้วอะไรละเป็นอะไรเป็นกับดักราคะโทสะโมหะ มานาทิถิวิจิชาหีริกาโนตปาอุทะจ่าอันนี้เป็นกับดักหรือเป็นเป็นเครื่องดักมานมานทั้งหลายก็เป็นในภานไปใช่ไหมแล้วชีวิตของเราที่ต้องมาเกี่ยวข้องแต่ละคนก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับสีเสียงกินรสสัมผัสแล้วเราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่เราเกี่ยวข้องแบบรู้ตัวไหมว่าเราเป็นเนื้อตัวนั้นที่เราจะไปกินเหยื่อยังไงที่จะไม่ไม่ติดกับดัก แล้วจะไปเสพสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วจะไปรับรู้อารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นธรรมอารมณ์ที่เป็นไปกับวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยซึ่งมีตัวกิเลสกรรมคอยดักคอยผูกคอยมัดคอยดึงเรากระชากกระไปหาอะไรไปหาชาติทุกข์ไปหาชราทุกข์พยาทุกข์มรณะทุกข์ไปหาความโศกความร่ําไรลําพันธุ์ไม่สบายกายไม่สบายใจและความขับแค้นใจไปหาความผิดหวังนะ ฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปเสพสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นเนื้อแล้วเนื้อตัวนั้นจะต้องเป็นเนื้อที่ถูกฝึกอบรมมาอย่างดีจากพ่อคือพระเจ้าเนี่ยฉะนั้นถ้าหากว่าเราฝึกจากคําสอนของพ่อและเดินตามคําสอนของพอระบรมศาสดาให้ดีเราจะกลายเป็นเนื้อที่ฉลาดแล้วก็จะไปเสพหรือไปถ้าใช้คําว่าเสพเนี่มันจะติดแต่ถ้าไปศึกษา หรือไปวิจไปพิจารณาไปละไปเกี่ยวข้องกับสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วถ้ารู้เท่าทันใช่ไหมหรือถ้าตั้งหลักไว้ถูกตั้งเจตนาไว้เป็นแล้วก็ตั้งความรู้สึกไว้ดีวิจัยได้ดีเขาเรียกว่าอบรมตนเองดีฝึกตนเองดีเนี่ยเมื่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วตนเองก็จะไม่ติดกับดักนั้นแล้วก็จะรอดปลอดภัยในสังสารวัตรที่ผ่านมาในอดีตเราพลาด เราจึงติดกับดักกันถ้ามองอีกสูตรหนึ่งจําได้ไหมตอนที่ยัสสาสะโถมยัสสาโกระบุตรนั้นน่ะเป็นใช่ไหมเป็นบุตรของเศรษฐีมหาเศรษฐีน่าจะระดับราชกุมารได้ซ้ำไปที่มีประสาทสามฤดูเห็นไหมท่านก็บริษัทบริวารท่านเยอะมากใครทั้งหลายที่ยังต้องเกี่ยวข้องกับบริษัทบริวารเยอะๆต้องคิดถึงยัสสาให้เยอะๆ ต้องคิดถึงยสศากให้มากๆว่ายศศากเกี่ยวข้องกับบริษัทบริวารแล้ววันหนึ่งเนี่ยเมื่ออทายาสัยท่านแก่กล้าขึ้นมาท่านอุทานดันดีว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนออะไรคือความวุ่นวายอะไรคือความขัดข้องใช่ไหมท่านอุทานว่าวุ่นวายมากขัดข้องมากวุ่นวายหนอขัดข้องเดินไปที่ปลายสิปนามิกระทยายวันเนี่ยเอามาไปที่ยศศากสถูปที่ใดเอามาสะเทือนใจตรงไหนเกิดความสงบ สงบตอนที่พระบรมศาสดาบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องอะไรคือความวุ่นวายตาหูจมูกเล้นกายใจเนี่ยเป็นความวุ่นวายถ้าเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกเล่นกายใจมากเท่าไหร่ความวุ่นวายก็จะมากเท่านั้นฉะนั้นกิเลสที่ไปพัวพันกับตาหูจมูกเล่นกายใจไปเสพติดกับตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยไปอลัยกับตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยมันเป็นความวุ่นวาย ยัสส า, สาเธอบอกว่าวุ่นวายหนอขัดข้องหนอพระศาสดาบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องที่ไหนนิพพานสิไม่วุ่นวายปรินิพพานที่ไม่ขัดขอ้องเพราะนิพพานนั้นเป็นสถานที่ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นเธอมานั่งนะที่นี่เราจะบอกปฏิปทาบอกขนทางจะขัดเก่าวอัธยาศัยเธอเริ่มแต่ทานคถาศีลกถาสักขะคาถ า, า, ถ า, ขข า, ถากามาทีนวัคคาถาเนคขมานิสังสขขากถาแล้วก็ สรุปลงในอริยาสัจสี่คืทุกสมุดไทยนี่รอดมาบอกเนี่ยจะได้ไม่วุ่นวายจะได้ไม่ขัดข้องแล้วเธอจะได้เข้าถึงความไม่วุ่นวายเข้าถึงความไม่ขัดข้องคือการปรินิพานเนี่ยยศท่านก็เชื่อเราท่านก็ปล่อยศรัทธาใช่ไหมปล่อยศรัทธาไว้ในพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็ดับความวุ่นวายได้จริงๆ แล้วท่านก็เข้าถึงความไม่วุ่นวายหนอไม่ขัดข้องหนอแล้วท่านปรินิพพานแล้วหันมาดูเราท่านทั้งหลายแล้วเราถามตัวเองว่าเราจะวุ่นวายหนอขัดข้องหนอไปกี่อกอัตภาพเราจะวุ่นวายหนอขัดข้องหนอไปกี่อิอัาภาพถ้าตราบใดเรายังยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ยินดีในความวุ่นวายหนอยินดีในความขัดข้องหนอ ถ้าเราย um ja oh e. ja ังเพื่ดเพลินตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เพื่ดเพลินในทรัพย์สมบัติบุตรบริวารทั้งหลายเปล่าพ่ายแม้กับตัวเองก็เชื่อว่าเรากําลังเพื่ดเพลินในที่วุ่นวายหนอในที่ขัดข้องหนอแต่ถ้าตัดความวุ่นวายได้โดยเป็นสมุทเฉทาประหารได้เมื่อไหร่เราจะเข้าถึงความไม่วุ่นวายและไม่ขัดข้องมาไปตรงที่ยศาสตูปแล้วมาก็สะเทือนใจตั้งอัธยาศัยปราถนาว่าสักวันหนึ่งเราจักไม่วุ่นวายหนอ เราจะไม่ขาดข้องน้อยใช่ไหมท่านมาเขตั้งอัธยาศาัยว่าจะต้องไม่วุ่นวายให้ได้เพราะว่าสังสารวัตที่ผ่านมาก็เป็นความเจ็บปวดเป็นความผิดหวังนะแต่ก่อนเนี่ยเราก็ตั้งความหวังไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่พอตาหูจมูกลินกายใจมันแปลเปลี่ยนไปเหมือนก็ผิดหวังซึ่งหลายๆท่านก็ประสบความผิดหวังกันมาเป็นระยะระยะระยะ แต่ด้วยอัธยาศัยที่เราไม่ค่อยจำในอดีตอย่างลึกซึ้งมันก็ลืมเลือนไงด้วยสติสัมปชัญญะไม่ได้ถูกบ่มจากการเจริญสิกขาสามให้บริบูรณ์นี่แหละก็เลยเข้าไปสู่ความวุ่นวายหนอขัดข้องหนอแล้วก็ติดกับดักของนายพานที่ดักเขาไว้เราก็ไม่ฉลาดเราก็กลายเป็นเนื้อที่ไม่ฉลาดตัวนั้นแหละเข้าไปติดกับดักแล้วก็ถูกกับดักลากไปเขาประทุสร้ายเราเนะ ชีวิตเราต้องเจ็บปวดนะืถูกกระชากลากถูบางคราวก็ไปเป็นสัตว์นรกบางคราวก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบางคราวก็ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเห็นไหมถ้าเรามองในชั้นคําสอนอีกชั้นหนึ่งในชั้นที่บอกว่าการเจริญทานนาักุศลนะ่ยใช่ไหมที่พระบรมศา ส, าสดาสอนไว้ในทานนาสูตรเป็นต้นหรืออีกเยอะแยะหมดในทา น, นากถาที่พระศาสด า, สดาตรัสเขาไว้ ที่ตราสแก่ชาวอุบาสกชาวเมืองจำปาก็ดีหรือที่บอกเกี่ยวกันในเรื่องของภาษาสนทนากับภาษาลิบุตรให้อุบาสกบาซิกาฟังเนี่ยพระบรมศา ส, สดาสนทนาก็พูดถึงการให้ทานเห็นไหมบางคนก็ให้ทานปรารถนาเป็นคเรืหาบุตีมหาสารพรหมณมหาศาลหรือเป็นกษัตริย์มหาศาลบางคนก็ให้ทานเพื่อจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุ้ม มหาราชิกาตาวติงสายามาดุสิตานิมานดีปรณีมิสวสวัสดีเป็นต้นแต่ถามบอกว่าเจตนาที่ตั้งเป็นไปด้วยการสะสมเป็นต้นหรือด้วยเป็นไปสรุปประเด็นตรงนี้คือถ้าใครยังให้ทานด้วยตัณหามานะทิฏฐิอยู่หรือรักษาศีลด้วยตัณหาทิฏฐิมานะเป็นต้นอยู่หรือเดินภาวนาที่ไม่ถูกต้องที่เป็นไปกับตัณหาทิฏฐิมานะที่ว่าตัณหาสมุปปัสนาทิฏฐิสมุปปัสนาแล้วก็ มานะสมานุปัสสนาเนี่ยไม่เป็นวิปัสสนาสมานุปัสสนาเนี่ยเป็นการเป็นเจริญตัณหาไปนี่ยที่เป็นไปกระทานศีลภาวนาในที่สุดจริงๆน่ยถ้าหากเส้นกรรมเส้นกรรมตัวนั้นนะถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมเนี่ยนะเส้นกรรมเส้นยศเส้นฤทิ์หมดหมดความเป็นใหญ่ก็จะกลับมาเป็นอย่างนี้อีกคําว่ากลับมาเป็นอย่างนี้อีกก็คือกลับมาเกิดเป็นสัตว์นรกอีกกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีก กลับมาเกิดเป็นเปรตอีกกลับมาเกิดเป็นอสุรกายอีกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอีกนะแล้วอัจยาสายที่สั่งสมไว้ผิดๆเนะี่ยมันจะผิดไปอีกยาวไกลเลยนะนี่ไง ท, ท่านถึงว่าสิ้นกรรมสิ้นยศสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วก็จะกลับมาเป็นอย่างนี้อีกแปลว่ามันออกจากสังสารวัฏไม่ได้ เห็นไหมโทษของการเดินทานไม่ถูกศีลไม่ถูกและเดินภาวนาไม่ถูกที่สุดจริงๆมันก็วนอยู่ในวัตตะนี่แหละแล้วอย่าลืมนะว่าสังสารวัฏนี่พระศาสด า, าบอกว่าเบื้องต้นเนะี่ยและที่สุดนมันหาไม่พบเนะี่ยมันยุ่งไปหมดแล้วตอนนี้เหมือนกับย้ามุงกระต่ายเหมือนกับได้ที่ถูกขยี้ถูกขยี่จนมันยุ่งเหยิงหมดแล้วไม่สามารถเอางเงื่อนต่อของได้นะั้นมาชนกันได้แล้วนะ สังสารวัตรที่ผ่านมาทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมที่ทํามาเนี่ยจนหน้าเจ็บปวดเพราะไม่ตั้งอัจฉริยสายไว้ให้ถูกไงที่สุดจริงๆกส้นกรรมสิ้นลทธิ์ส้นยอดหมดความเป็นใหญ่มันก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีกถ้ากรรมเป็นอย่างนี้อีกถ้ามาเป็นมนุษย์เพราะพุทธศาสนายังค่อยช่วยใช่ไหมแต่มันมาเป็นสัตว์นรกกะจะว่าไงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเป็ดเป็นอสุรกายหรือเป็นคนบ้าใบบอดหนวกพิกลพิการเงี้ยนี่ไงคือก็ คือการเจริญกุศลที่ไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องมันก็เดินผิดพลาดมันก็ขัดเกาตัวเองไม่ได้นี่ไงคือชีวิตกระแสะชีวิตมันหมุนกันอยู่อย่างเนี้บ่งบอกได้เลยว่าในสังสารวัตรเนี่ยพระบรมศาสดาอามาไปที่เชตะวันเดินไปทุกอย่างก้าวมาก็บอกกับพาบอกกระโยมหลายคนก็บอกตื่นเต้นตื่นเต้นตรงที่เห็นอนาถาปิณิกาเศรษฐี ที่ท่านปูรัพย์18โกดสร้างพระสร้างวิหารอีก18โกดแล้วฉลองอีก18โกด ร, รวมเป็น54โกดโอ้โหแล้วก็เห็นพระเจ้าเชืทั้งหลายที่ท่านร่วมบุญกันนี้ทโดยเฉพาะอนาคานิชัดมากเราเห็นบริเวณเหล่านั้นแล้วมันนึกไงอมาจะนึกไงไหมนึกพระเจ้าองค์ต่อไปองค์ต่อไปจนถึงเพระองค์จนพระวิปสัสสีสา ม, มาสามุทิ้าเป็นต้นเนี่ย ก็เห็นเศรษฐีที่เป็นทานบดีประจำพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยท่านปูอิดทองคำสิบหนึ่งยอดแล้วต่ออีกองค์ต่อมาก็ปูผานทองคำบริเวณเชตาวันนั้นอีกองค์ต่อมาก็ปูเต่าทองคำเต็มบริเวณนั้นอีกองค์ต่อมาก็คือว่าเศรษฐีต่อมาในสมัยพุทธเจ้าองค์ต่อมาก็ไม้เท้าทองคำแล้วก็มาปูอิดทองคำเป็นเส้นตามลำดับเนี่ย จนมาถึงอนาถาก็ปูซับอีกส8บปดโกนนึกโอ้โหถามว่าและการปูเนี่ยแล้วเจตนาท่านเท่าไหร่เจตนาที่เป็นไปกระา น, นกุศลของท่านเนี่ยนะแล้วท่านเดินเท่าไหร่ก็นั่งนึกโอ้โหใจท่านสร้างบา ร, รมีมาเพื่อมาเจริญกุศลใช่มมันทำให้เราคิดไง ในฐานะที่เราศึกษาพระธรรมคำสอนนี่ก็มองย้อนอดีตก็เห็นว่าท่านฝังอริยรัพว้ในศาสนาโอ้โหทานของท่านนี่ทำลายมนฑินได้ไอ้มนฑินมันคือความตนหนีใช่ไมมณฑินมันคือราคะโทสะคือโมหะท่านทำลายมนฑินเหล่านี้เกลี้ยงเลยในใจของท่านได้ด้วยการสละแบบนี้เนะแล้วก็มองเห็นโอ้ มองนึกถึงว่าท่านได้เจริญทานกุศลศีลกุศลแล้วก็ภาวนากุศลเป็นต้นของท่านน่ะไว้ในพระ t h a n ตรยอย่างหนานแน่นแค่เราเหยียบสถานที่เหล่านั้นเข้าไปก็ขนลุกใช่ไหมถ้ามันนึกภาพไม่ออกก็เพราะว่านิ่ภาพมันปรากฏเพราะภาพบ่าปรากฏก็นึกโอ้ตายแล้วแต่นี้ในความรู้สึกนะันน แต่ม่รู้หลายๆท่านจะคิดยังเอามาคิดหรือเปล่าคนก็คิดไม่เหมือนกันเยอะแต่และข้อมูลก็ต่างกันแต่ถ้ามีข้อมูลก็คิดแบบเนี้นก็จะเห็นภาพนักดาราเห็นภาพเลยวันนี้อมาก็เลยบอกว่าเอออมาก็เลยไม่ได้ถามท่านมาอํานาจสักทีนะที่ไปด้วยกันเนี่ยก็เลยอยากให้ท่านพูดให้โยมฟังหน่อยถ้าไปท่านคิดยังไงดีไหมโยม เออมาอยากฟังท่านเหมือนกันว่าท่านจะคิดยังไงเพราะเอามาอยู่ได้กันแมาก็ไม่ได้ถามเราได้แต่ให้ข้อมูลให้ข้อมูลกอย่างนี้อย่างนี้แต่วันนี้อยากดูเหมือนกันว่าท่านไปกับมาสองรอบแล้วเนี้ยเนี้ยรอบรอบแรกนั้นยอมกี่ารพาท่านไปแล้วรอบที่สองก็รอบที่สองก็ไปกับมาแล้วก็ไปฟังเอามามากที่สุดวันนี้เอามาเลยบอกนี่เพิ่งบอกท่านเมื่อตะคิดเนี่ยบอกเอ้ช่วยคุยอะไรฟังหน่อยดิเอามาเนีอยากฟังทำ ก็ อ, อยากฟังแนวความคิดว่าท่านคิดแล้วท่านได้อะไรเออก็ดีเหมือนกันน้ให้ใครพูดก่อน อ, อ๋อท่านอันนั้ น, น ด, ดีบนแต่ ขออนุญาตท่านพระอาจารย์เจริญพรออญาติโยมนะอาตมาไม่ค่อยสันทันเรื่องการพูดเนาะมันมันยังไม่มีข้อมูลเท่าไหร่ก็เลยเมันตะกุกตะกักก็เมื่อก่อนนี้เคยอยู่ที่วัดไส้อทองอะเนาะ มีโอกาสได้มาทำงานเกี่ยวกับหนังสือพระไตรปิฎกก็ได้มีโอกาสได้รู้จักโยมกิ่งการถ้าเกิดโยมกิ่งการไม่เปิดนะไม่ให้อตมามาได้ได้มีโอกาสได้ไ ด, ได้เจอพระอาจารย์ก็คงไม่มีวันนี้หลังจากที่ได้ไปอินเดียครั้งแรกเนี่ยข้อมูลไม่มีเลยนะโยมนะ เป็นอาจารย์สอนเขาว่าโยมสอนธรรมะสอนวิปัสสนาสอนอะไรทุกอย่างแต่ข้อมูลที่จะไปยืนต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วไปไข้ควรไม่มีอ่ะลองคิดดูโยมตอนนั้นก็แปดราษาโยมแปดราษาแล้วไม่มีข้อมูลที่จะไปบูชาพระพทเจ้าไม่มีข้อมูลที่จะไปรายงานพระพุทธเจ้าเลยไปยืนก็ก็อึกกระอักก็ใช้วิธีเดิมแหละไปนั่งสมาธิว่างเดินจงกรมบ้าง ก็ยอมรับว่าที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาไม่รู้ข้อมูลมันหายไปไหนหมดเหมือนว่าเราพลาดว่างันเถอะที่เรียนมามันพลาดมันทำให้เราเจริญกุศลไม่ไม่ขึ้นอ่ะแปดแปดปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปฟังข้อมูลรู้สึกว่าจะสิบวันถ้าจำไม่ผิดนะสิบวัน เป็นเหตุให้ตัดสินใจเลยนะยโยมนะในสิบวันนั้นอนะ่ะเป็นเหตุให้ตัดสินใจว่าเอาหลักกลับไปเนี่ยจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลยบอกว่าปีนี้จะสอบได้หรือไม่ได้เนี่ยจะขนของออกแล้วจากวัสยทองนะ น, นะจะขนของออกเลยสอบได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็คิดว่าจะไปสอนโยมยังไม่ได้คิดว่าจะไปเรียนหรือจะไป อเอาธรรมะให้ตัวเองหรอกคิดว่าจะไปสอนเขาก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่นู่นเลยอุทยธานีไปอยู่ได้เดือนเดียวเองเกิดจากาหลายๆอย่างที่มันไม่ตรงกันนะเนาะศีลก็ไม่ตรงกันความเห็นก็ไม่ตรงกันทุกอย่างหลายๆอย่างก็เลยออกมาเลยออกมาก็ได้คุยกับทางโยมแล้วก็ทางพระอาจารย์แล้วก็เลย ตัดสินใจมาอยู่วัดกลางเลยนะทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าทางนั้นเขาต้องบน่นต้องว่าน่เพราะว่าเราเรารับปากเขาไว้ว่าจะไปอยู่นะตั้งแต่สี่ปีที่แล้วรับปากว่าจะไปอยู่แล้วก็ผัดมาสองปีเพื่อที่จะไปเรียนให้มันจบพอจบแล้วมันเป็นเหตุให้ไปอยู่ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องออกมาเพราะว่าเราต้องการที่จะออกจากทุกข์แล้วตอนนั้นน่ะ ไม่ต้องการที่จะไปสอนแล้วคราวนี้ก็เลยเป็นเหตุให้มาอยู่มาอยู่ที่วัดกลางแล้วก็ได้ศึกษาแล้วเรียนได้อ่านพระไตรปิฎกมีข้อมูลมากขึ้นพอไปครั้งที่สองเนี่ยตมาก็เตรียมไปเลยท่องเลยท่องพระไตรปิฎกเลยจบเวลัญชกัน17หน้านก็าไปบูชาพระพุทธเจ้าก็ได้ข้อมูลแค่นั้นแหละครั้งที่สองอะ่ะที่เอาไปบูชาโยม ถ้าพูดถึงเรื่องวัตถุสิ่งของทางพระก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วมีแต่ญาติโยมต่างๆเอามาถวายเราก็ใช้วัตถุที่น้อยๆนั่นแหละเอาไปได้บูชาครั้งที่สองก็ยังไม่มีข้อมูลมากเท่าไหร่ก็ใช้ส7เจ็ดหน้านั่นแหละโยมไปบูชาพระพุทธเจ้าไปรายงานพระพุทธเจ้าถือว่ามันเต็มที่ของเราแล้วสิบเจ็ดหน้าเนี่ยเต็มที่ของเราแล้ว คราวนี้ก็มีโอกาสได้ไปครั้งที่สามซึ่งทั้งสามครั้งเนี่ยถ้าเกิดโยมกิ่งการไม่ได้ช่วยอาตมาไม่มีโอกาสได้ไปเลยนะอาจจะมาอาตมาเนี่ยบวชเข้ามาเนี่ยจะไปเอาเงินที่ไหนไปประเทศอินเดียได้ในถึงสามครั้งถ้าโยไม่ช่วยอาตมาไม่มีโอกาสเลยดังนั้นสงสัย ในชาติก่อนสงสัยนะแต่ถ้าเป็นถ้าพูดในนี้ก็คงไม่ต้องสงสัยแล้วเนาะไม่ต้องสงสัยแล้วก็คงอาตมาคงเคยบอกธรรมะเคยอุดหนุนโยกยิงการไว โยมกิงการก็เลยมาเอดหนุนอันตมาไม่งั้นไม่มีโอกาสเลยนะโยมนะอยู <hm ่สร bon ้อยทองอ่ะเพือเพลินจะตายเพื่อเพลินนะโยมนะกามาคุณมันเพื่อเพลินอยูมทางตาก็ดีทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพื่อเพลินหมดเลยเป็นที่เรียนแล้วก็เป็นที่ปฏิบัติด้วยนะโยมนะที่นั่นอะเป็นสำนักอภิธรรมนะโยมนะ แล้วก็ตมาก็เป็นอาจารย์ใหญ่อวิธรรมด้วยที่สำคัญดังนั้นดูสิขนาดมีเป็นขนาดนั้นยังไม่มีข้อมูลในการไปรายงานพระพุทธเจ้าอ่ะยมไม่ต้องพูดถึงอ่าอ่า มันมันไม่ได้เอามาไว้ในใจนะโยมนะไม่ได้เอามาไว้ในใจเพอไ ป, ปไปไปยืนต่อหน้าเนี่ยเบอร์เลยนะโยมนะเบอร์ <symbolic> <thinking> ไม่รู้จะคิดอะไรอะโ ย, ยมก็อิติปิโสนั่นแหละตามสูตรทานบารามีไปแค่นั้นแต่จะให้ค่อควรให้มันเกิดบุญจริงๆทานจะเกิดจริงๆศีลจะเกิดจริงๆเนี่ยจะหมุนยังไงให้มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเนี่ยมีครั้งที่สามนี่แหละโยม อาตมาก็ตามเคยไม่มีวัตถ e um? <that> ุทานวันเดิมก็มีโยมเนาะประภัยพิษเนาะก็ให้อุปกรณ์ในการไปบูชามีโยมหลายๆคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ได้ถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปก็จนเต็มกระเป๋านโยมเขาให้กระเป๋ามาใบหนึ่งเต็มกระเป๋าแต่ก็น่าจะสองกิโลหรือสามกิโลนี่แหละเต็มที่แล้วโยมก็ยังเห็นโยม เวลาเอาวัตถุทานไปเนี่ยโอ้หบางทีเกินไปตั้งเยอะอัตามาก็เลยโอ้โอโยโยมทั้งมีบุญแท้มีวัตถุทานได้ไปบูชาพระพุทธเจ้ามากมายเลยแต่สำหรับอัตามามีแค่นี้มันเป็นทุกขะตะเนาะก็เอาแค่นี้แหละไปบูชาแต่ใจเราอะอัตามาก็เน้นที่ใจแล้วกันเนาะเพราะว่าวัตถุทานไม่ค่อยมีไม่เหมือนโยมโยมมีมากอัตามาเวลา ตั้งแต่ไปเนี่ยมันต้องค่าควรไปก่อนเลยอโยมวัตถุทานต่างๆเนี่ยกายกรรมของเราทุกย่างก้าวเนี่ยให้เป็นทานให้ได้อะทุกย่างก้าวให้เป็นศีลให้ได้อะ่ะเพราะว่าวัตถุทานเราน้อยเนาะก็เลยคิดตั้งแต่ทุกย่างก้าวที่เราไปอะ่ะมาตั้งแต่วัดไปถึงสนามบินแล้วก็เดินทางข้ามไปเนี่ย ทุกขณะของเรามีการกล่าวไปตลอดเลยพรนน า, นาวัตถุทานของเราตลอดเลยแต่มาก็ไข้ควรไปตั้งแต่ตอนนี้แหละแล้วใจของเราตั้งไว้แล้วตั้งไว้ตั้งแต่ตั้งแต่เข้าใจแล้วว่าจะให้นะจิตใจของเราเจตนาที่จะให้เนี่ยจะไม่หมดวัตถุมีน้อยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่เราจะใช้วัตถุตัวนั้นแหละเป็นตัวแทน เป็นวัตถุที่มีน้อยอยู่เนี่ยแหละอัตมาก็ใช้เป็นตัวแทนเลยสมมุติว่ามีปักกาอยู่ด้ามหนึ่งซึ่งโยมก็ถวายมาอัตมาก็ใช้ปักกานั้นแหละซึ่งมันเป็นของอัตมาแล้วนะอัตมายึดว่าเป็นของอัตมาแล้วเพราะว่าอัตมาได้เห็นนะ่ะมันเป็นบุญของอัตมาที่ได้สร้างมาแล้วอัตมาก็น้อมปักกาด้ามนี้แหละบูชาพระพุทธเจ้า แต่มันไม่ใช่แค่นั้นนายโยมอัตมาก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นตัวแทนได้เพราะว่าศึกษาจากพระาจารมาอัตมาก็น้อมเอาปากกาด้ามนั้นแหละเป็นตัวแทนของทรัพ์สมบัติทั้งหมดเลยเป็นคังสมบัติราชสมบัติจักรพัติสมบัติแก้วแหวนเงินทองเป็นปัจจัยสี่เป็นเครื่องอุบโภคบริโภคเป็นบริขารแปด ซึ่งไม่น่าเกี่ยวกันเลยเนาะแต่อัตามาไปศึกษาแล้วการปรุงแต่งจิตการประดับจิตเนี่ยมันน่าจะมีผลมากอัตมาก็เลยปรุงแต่งไปเรื่อยๆถ้าเกิดปฏิบัติวิปัสสนามาได้ยินก็คงหาว่าอัตามาคิดฟุ้งซ่านไปะนะ <c oughs> แต่อัตามาคิดว่าวิธีนี้มันทำให้จิตใจเรา อิ่มเ อ, อิบไปโยมทั้งๆที่วัตถุเราน้อยมากเลยแต่ใจเราไม่น้อยอะโยมใจที่เราคิดที่จะให้มันไม่น้อยอะท่านบอกว่าไอ้ทานเนี่ยมันมีอยู่สองความหมายด้วยกันให้เพื่ออนุเคราะห์อย่างหนึ่งให้เพื่อบูชาอย่างหนึ่งอาตมาก็นเน้นเลยให้เพื่อบูชาเลยให้เพื่อบูชาเลยเป็นทานอย่างหนึ่งกายกรรมที่อาตมา ได้เดินไปได้ก้าวย่างทุกย่างก้าวเนี่ยเป็นทานหมดเลยนะโยมนะวัตถุที่มีอยู่เล็กน้อยแต่ตมาก็ประมวลเอาประมวลเอาสิ่งทั้งหมดในจักรวาลเลยตะมาก็ใช้ปากกาด้ามนั้นแหละเป็นตัวแทนโดยสิ่งที่เราไม่ได้ถวายไม่มีแล้วอะตะมาถวายหมดเลยทั้งแผ่นดินเลย ทั้งแผ่นดินทั้งภูเขาทั้งป่าไม้แม่น้ำลำทานดวงดาวก้อนเมฆอาตมาถวายหมดทั้งสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายพรมทั้งหลายหมดเลยดอกไม้ทูบเทียนธงชัยธงประตักธงแผ่นผ้าเครื่องประดับของหอมอาตมาบูชาหมดเลยของหอมต่างๆอาตมาก็คิดว่าขอให้เราได้มีศีลหอม ฟุ้งไปขจรไปทั้งตวงลมและตามลมผ้าต่างๆขอให้อตมาได้มีวันณนะผิวพันผ่องใสเวลาคนมองก็จะได้เลื่อมใสเพราะถ้าคนเลื่อมใสแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุให้อตมาได้ให้ธรรมะเขาง่ายๆไม่ต้องมาเหมือนสมัยปัจจุบันนี้ตมาเห็นบ่อยเวลาเราพูดไป ให้ธรรมะไปเข้าข้อ า, านอาตมาไม่อยากเห็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้ค้านอาตมาเนี่ยแต่ไปค้านนู่นเลยมันจะมันจะเป็นเหตุให้เขาได้บาปอาตมาก็เลยคิดว่าถ้าเกิดอาตมาทําให้คนอื่นเขาเลื่อมใสได้เนี่ยเขาจะได้ฟังง่ายๆอาตมาก็เวลาให้ปรา ก, กาเนี่ยแหละโย <Hello. S 2> ที่ท่านกล่าวเนี่ยนะคะยมีเห็นด้วยแล้ว เ, เห็นแตกต่างนิดนึงนะเจ้าคะคือการที่การที่มีผู้ค้านี่มีสองประเด็นด้วยกันนะคะบางคนเอาแต่คา้านแต่บางครั้งเกิดการศึกษาของเรายังไม่สมบูรณ์เน่ยนะคะหาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยมขอกล่าวเสริมตรงนี้นะเจ้าค่ะคื อ, อที่ ที่จะมาเจอบ่อยก็คือเวลาเราพูดไปแล้วเหมือนกับว่าเราพูดเร็วเกินไปนะข้อมูลเราเราไม่เต็มที่เขาก็สามารถที่จะค้านได้ในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากเหตุของคนพูดคนพูดเนี่ยพูดทีไรเนี่ยเขาค้านทุกทีเพราะเราเพราะเราครับ ข, ขนาดพูดถูกนะพูดเป๊ะเลยเนี่ย ในฟ้าไตวีโดกเลยแต่เขาก็ค้านเพราะว่าเหตุปัจจัยของเราไม่ไม่ดีพอไงดังนั้นอาตมามุ่งถึงตรงนี้แหละอาตมาก็เลยเวลาให้ไปก็อยากให้คนเวลาให้ไปก็ให้ด้วยความนอบน้อมเนี่ยเวลาที่อาตมาที่อมีน้ําแก้วหนึ่งอาตมาก็บูชาพระพุทธเจ้านะเช้าบ้างเย็นบ้างเนี่ยแล้วก็บูชาด้วยความนอบน้อมอย่างนี้โอ้โหเวลาที่เราให้ด้วยความนอบน้อม เวลาไปพูดเขาก็าจะตั้งใจฟังตั้งใจฟังอันเนี้ยอาจจะมาเน้นตรงนี้เลยเพราะว่าอหวังหวังให้คนเวลาพูดมาเขาจะได้ง่ายๆ่ายงายไม่อยากว่าเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยคณะมาเนี่พูดถูกนะเขาก็ <c oughs> ไม่อยากจะฟังอะ่ะล อ, องดูสิมก็มันเคยทําสําเร็จมาแล้วโยมมา <c oughs> เจอบ่อย ขณะไปพูดบนรถยังไม่ค่อยมีอยากใครอยากฟังเลยหลบับโยมหลบับอ่อเห็นไหมกรรมของอาตมาด้วยส่วนหนึ่งเห็นไหมเออเพราะอาตมาเคยให้ด้วยความไม่เคารพนั่นเองคราวนี้เลยต้องเปลี่ยนใหม่ตั้งใจใหม่ในการบูชาผู้เจ้าเนี่ยเป็นเหตุให้เคารพได้ง่ายอาตมาก็บูชาอย่างดีเวลาเห็นพระสงฆ์เห็นอะไรเนี่ยอาตมาก็ผลในบัตรด้วยความเคารพ หวังว่าสักวันหนึ่งจะมีคนตั้งใจฟังอาตมาแต่ยังไม่ได้เน้นตรงที่สอนนะโยนะเพราะว่าอาตมาเนี่ยที่ไปศึกษาก็ตั้งใจว่าสักห้าปีนะยังไงถ้าเกิดมีความรู้สักห้าปีแล้วค่อยจะมาบอกแต่ตอนนี้ถือว่ายังไม่มีข้อมูลนะโยนะอันนี้ประสบการณ์ที่ที่ได้ไปอินเดียครั้งที่ส ว่าใครควรอย่างนี้ก็ยังไม่แน่ว่ามันจะถูกหรือเปล่าก็ได้ปรึกษากับพระอาจารย์ว่าทำอย่างนี้มันตรงไหมถูกไหมก็แล้วก็มาสังเกตใจตัวเองว่าเอจิตใจมันละเอียดขึ้นจิตใจมันละเอียดขึ้นแล้วทำให้เวลาเราไปอ่านพระสูตรต่างๆมันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วเราตีความได้มากขึ้นโอ้แสดงว่า มันน่าจะมีส่วนถูกบ้างนะก็เลย <c oughs> ก็เลยทำทำเป็นประจำนะมีการไข้ควรเนี่ยให้ได้กว้างที่สุดมากที่สุดกายกรรมของเราสมบูรณ์หรื อ, อยังในการให้วจีกรรมของเราได้เปล่งวาจาพนานาการให้นั้นดีหรื อ, อยังครบถ้วนหรื อ, อยังใจของเราเนี่ยที่จะน้อมบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นไปกับด้วยตถาคตะโพธิสัตย์หรื อ, อยังแต่มันก็ค่ายควรทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจในการบูชาพระพุทธเจ้าทานของเราแข็งแรงหรื อ, อยังก็มาสํารวจค่าควรมากมายขนาดนี้แข็งแรงได้ไงถ้าแข็งแรงแล้วเนี่ยขึ้นศีลได้หรื อ, อยังก็ค่าควรพิจารณาไปอีกการให้ในครั้งนั้นให้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเอาเพียงจารีศีล น, นี่ เราได้ปริบัติได้ดูแลได้อุปถากพระพุทธเจ้าโอ้โหสินเกิดขึ้นจาริสินอวาริสินล่ะเป็นข้อข้อของเราเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นไหมในการให้ในครั้งนี้ในการบูชาในครั้งนี้เนี่ยเบียดเบียนใครไหมถ้าไม่เบียดเบียนเอาสินเกิดขึ้นแล้วนี่เบียดเบียนทรัพย์สินของคนอื่นไหมเบียดเบียนบุตรภรรยาของคนอื่นไหม จริงใจไหมเวลาพูดออกมาเนี่ยจริงใจที่จะบูชาไหมตั้งใจจริงๆไหมต้องการให้คนอื่นเขาแตกแยกไหมอาตมาก็ค่ายควรไปอ้ามันพัฒนาขึ้นศีลได้แล้วค่ายควรไปทั้งวารีศีลทั้งจารีศีลอ้าภาวนาของเราล่ะพร้อมที่จะขึ้นไหม ถ้าขึ้นไม่ได้ก็ไปกลับไปใหม่ทานของเราไม่บริบูรณ์แน่เลยมันขึ้นภาวนาไม่ได้ขึ้นศีลไม่ได้เนี่ย <c oughs> ก็กลับไปทบทวนใหม่ไปไปมามันใช้ปัญญาตลอดเลยโยมเมื่อก่อนคิดยากมากมาแลกแกมาใหม่ๆนี่ยโยมเพราะมันคิดบาปบ่อยชำนานมากในเรื่องคิดบาปนะแล้วที่สังเกตเห็นก็คือ ความอดทนของเราต่ำมากเลยมเมื่อไม่มีการวิจัยหรือให้อกุศลมันทำงานเนี่ยความอดทนต่ำมากแลวอยู่ไหนก็อยู่ไม่ได้อยู่ไหนก็ต้องมีเหตุให้ต้องย้ายตลอดเลยแต่พอเรามาใ่้ควรอย่างนี้มากๆเข้าตรึกเรื่องบุญมากๆเข้าเนี่ยเอาความอดทนของเรามันเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันเริ่มมาถูกทางแล้วเราเยิ่มเริ่มอยู่กับ ผู้คนได้แล้วเมื่อก่อนจนะมางดหงิดนะโยมนะสารภาพไว้ก่อนว่าเมื่อก่อนมานั่งอยู่ตรงนี้งุดหงิด <c oughs> เพราะเจอโยมเยอะเอามันมันต้องเจออารมณ์มากไงโยมอารมณ์มากอะโทสะมันก็ทำงานเจออารมณ์มากแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าปรับขึ้นมาได้แล้วเพราะว่า เราไปอยู่ที่ไหนเราก็ตรึกเรื่องบุญนายมทานของเราเป็นยังไงสินของเราเป็นยังไงกายกรรมวจีกรรมวนโนกรรมเป็นไปกับด้วยทานไหมเป็นไปกับด้วยสินไหมวิปัสสนาของเราเจริญไหม